เอเหือนเดินนาาศได้อายุถึงหมื่นหมื่นปีที่ป่าหิมพานที่ประเทศเนปาลติดต่อกไอเยียร์ที่เราเรียกว่าเขาหิมาลัยเลยเขาหิ ม, มาลัยไปที่หกยอดจะพบป่าใหญ่ในป่าหิมพานนั้นจะเต็มไปด้วยถิ่นสารสาัตว์และก็โยคีเลอสีทีไพรมีมาก่อนพระพุทธศาสนาเนี่เรียกว่าชีบานาสองถินผลหมากลากมาอยู่ในดงในป่าหิมะพานมาช้านาน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 ไม่พอยืดยาวเหมือนถ้าสงสมัยนี้เป็นการแต่งเติมเพิ่มเติมดีตามวาลอกาสอันสมควรดูกระรนองหญิงเธอปรารถนาสิ่งใดไม่หยู่ยใสขอให้เธอกมเหตตามเป้าหมายนั้นก็ขอให้เป็นเป็นพุทธมารดาในอนาคตไ ด, ด้ปุษดีก็ดีใจดีใจก็อำนาจของบุญต่อบุญบาต่อบา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 หมดบุญวาสนาอยู่ในสูงสวรรค์แล้วเธอต้องการขอพรอย่างไรที่ปราณารีบขอพรใน บ, บัดนี้เหลืออีกชั่วโมงเดียวจะหมดบุญวาสนาดูนี้อุตดีก็นึกได้ขอพรสิบประการเรียกว่าการโพสพรเบื้องตอ้นอาตมาจะขอกล่าวว่าพรเดียวคือขอมีลูกชายโสภสมีบุญวาสนาในโลกมนุษย์เพื่อที่ฐานที่สุดซึ่งเป็นพุทธมารดา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 เกิดในตลาด พ, อพา่อค้าเรียกเวสสตอรอาแล้วรวบแล้วแต่เจอความพอเวสสนอรเกิดขึ้นแล้วสัสดกมหาฐานเตรียมการที่จะไปบำเพ็ญทานบา ร, รมีต่อที่ป่าหิมพานไครอินจึงได้พิจารณาต่อไปว่าออเวสสตอรนี้จะไปบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานแน่นอน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 จะเสียาการบารมีของพระเวชดเพราะยังไม่ได้สร้างบารมีครบโดยพระราชทานของอมาถึงสาราศาสตร์กระดูกลาอโยคียกระส อ, อบตกลามกในป่าหิมพานเพราะฉะนั้นพระอินจ์จงเนลมิตตอนมักรีผลสิหกต้นอยู่ที่ป่าเขาฝ่ายเขากุกที่ป่าหิมพานนั้นเพื่อต้องการการมคุณห้าเวลาพระมัตรีจะออกไปป่าในเจ็ดนี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 ตอนหกมงเช้าสบานออกมาร้องรำทำเพลงได้คนทันวิชาทรก็มาเส็สกันว่าไอเลอสีพีพลายที่ไม่เสาเ็จฌานสมาบัติก็มานั่งโขนต้นพราะมันหอมอบ อ, อวนทวนในป่าหิมะพาน ใ, นในกรรมคุณทั้ง5้านี้เลยก็มาเก็บไปสังวาดนะกรีผล น, นี้หลุดแล้ว4เดือนให้หลัง5้าเดือนเกี่ยวลงปแต่คนทันวิชาทร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 สลักไว้ชัดเจนมากตอนไม้ออกรูกมาเป็นกดอย่างนี้เชื่อต่อคอปลอกแล้วหลวงพ่อนี่ก็เคยฝังใจมาเป็นเด็กเรามาตอนเป็นเด็กเล็กๆยายชอบมีกระทาพันประจําบ้านปีละสองครั้งแล้วเราเอาเชือกผูกเราเรื่อยบอกหนูเอ้ยให้ฟังเทพกระถาพันครบครันหนึ่งพันกระถ า, ท า, ทาจะเกิดทนานศาสนาทิธอ่านว่างี้แล้วเราก็ฟังเรื่อยโดยที่ไม่สนใจ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 เดีย๋ยวนี้พระราชบัญญัติข้อสองออกใหม่สองพ้าร้อยห้าถาสมทานวัดไหนทิ้งวัดหนึ่งเดือนขาดต่างรูปอื่นได้ไม่เหมือนสมัสมยรอสอรียเบ็ดมี่ลายคุณผู้ฟังด้วยเลยพอดีหลวงพอ่อคางเสนอเบ็ดฌาปนธรรมบัตรท่านก็มาอยู่ที่ น, นั่นยายเนี่ยก็ทําตามยายช่วดก็มาส่งไปโตให้ท่านท่านกับฉันเวลาเดียวฉันะสมกันหมดเลยข้าวหวานรวมอยู่ในบาทเดียวกัน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 สิงบุรีก็ไปชื่อปลอดมาแล้วก็ล่าวะลงงุงกอดช้างเสร็จก็เกี่ยวปลอดพอมันเป็นเข้าไปแล้วก็ปันน่นมันก้อนเลยลุงมุนช้านะลุงมุนชา้าย้ายก็มาส่งในโต๊ลุงกอดช้างมาอยู่แหละไม่รู้ไปไหนมาเปิดกุเทนูก็ไม่มีชื่ออื่ทันอยู่ด้ป่าชา เ, เลยรอจนหมดเวลาจนห้าโมงลุกอช้างกลับมาแล้ว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 ในเวลาการต่อมาหลวงพ่อก็มาบวชตั้งแต่ที่ยายเล่าเนี่ยสมายังไหว้้งเปียอยู่เนยังเด็กแันนี้ยายตายไปแล้วยายสมายุค89ตายแต่คาถาพันหรเรื่องผู้เวชนอนจะทุ่งประพอถึงนครจอนทรยายเล่าไดยหมดเพราะนิยมมีมาชาติที่บ้านถึงปีแล้วเบื่อจริงจะต้องผูกขาเราก็สาวให้ฟังให้จบ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 อาวาหามุขคนหญิงเขาผู้ชายดีแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เป็นคนดีเนี่ยอาภาพบุคคลไม่มีมีเมียไม่ได้มีใครมาขอมันก็ดีไปอย่างหนึ่งเลยก็ดีก็เล่าลวกล้าให้สั้นขึ้นมาไปประชุมบษชาทางโลกเราก็ลืมเรื่องนมรรคผลไปแล้ววันหนึ่งก็ไปพิโสที่เขาศรีกิะต้องการอยากจะไปดูสถานที่ว่าไอ้ธรรมินทรชาตจับละมัตริย์มาขังไว้ตรงนี้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 ปอยล้างออกมาแล้วก็มาปราท่านก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่องค์นี้ได้มาจากไหนท่านก็ทรงภาษาสิงรรหนว่าได้จากป่าหิมพานเลยเลิกเลิกฝึกถ้ากองเสมาชาตถ้าไม่สมาชาตจะมาบัดจะไปป่าหิมพานไม่ได้คนที่ไปป่าหิมพานได้นั้นไปได้ดังนี้หนึง่งไปพอเหมาะลอดเขาช่องแคบไปได้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 สมภารีิตุสมาูิจักท่านดีเพราะตอนที่บวชครั้งแรกท่านก็ศึกษาลาเพศไปมีก็อบครัวมีลูกผู้ชายก็มาฝากอมาไว้เลี้ยงจนเป็นหนุ่มแต่งงานเสร็จเรียบร้อยเลยท่านก็กลับไปบวชเป็นสมภารชื่อสมภารตุติวันนั้นในเวลาการต่อมาเนี่ยมีกระทาชายคนหนึ่งแกนุงพาลองแรงขาดมียากมาว่าจะพายมา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 เด็กก็พานก็ไปส่งนอกวัดเพราวัดนั้นอยู่กลางทุ่งไม่นี้ต้นหนากราบไม้มองเห็นกันถ้ายก็เขาก็ไปทํางานวัดเขจะมีงานการ <c oughs> พอไปส่งแล้วหลังวัดตาประทาชายตาเท่าออนี่ก็กราบในราชการว่าประเดี๋ยระคุณที่ขลอกผมจะไม่ลืมประคุณท่านที่มาพึ่งโพชุ่มทานผมจะกราบเียนว่าท่านฤทธิ์ทำวัดจะสะพายสี่ปีสปีนี่ท่านคงไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขากราบเียนไว้สั้น แล้วผมก็ไม่มีอะไรมาฝากผมจะยกของขวัญให้ในยมามนว่านี่ยกถวายทั้งหมดก็ยกยาาให้พอยกยาาให้เสร็จพอรัมสการลาก็ค่อยเดินพี่กายไปตามับกระชากหลวานก็เปิดดูแล้วแก้ผ้าขาวออกมามีมะเต ป, ปรีผลสองกดแล้วก็มีผ้าขาวมีหนังสือบอกประชดระฆังเจ้ามาจากป่าที่มาฝาเลย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 เราก็ลืมไปแล้วอันนักศึกษาก็บอกว่าท่านไม่จริงนะลูกมันรีพนไม่ใช่ไม่นี้จะพูดเด้วยอ้าวตายฮาจริงเลยก็มาดูบรรยาวัดถึงจะเปิดเผยขึ้นมาครั้งนั้นขพฝากเขด้วยได้คราวหนึ่ง้ยนทานสุดของขปทุมเนี่ย้วทำบุญมันเกิดที่วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพสี่สิบก็คองคลองสแตกี่สิก็ององสแตรุงเทพ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 และอีกอันหนึ่งคุณนายโสภาสามีเป็นนายเพื่อจัองหวัดจันบุรีเขาก็รู้บอกกับหลวงพ่อทำบุญบ้านฉันที่จันบุรีเนี่ยนะเอาไปด้วยงานในแพทย์เขาจะขอผ่าท้องขอพิสูจน์อ า, ากตกระโหลมาก็าไปสมาก็ตื่นก็งมงเช้าไปจันบุรีลําบากแล้วไปส่วนหมูฉันเทนไหมทันเลยก็บอกโจเฟย์อย่าไปเลยเลยก็ปรึกษากันว่าที่ไหนผ่าไปไม่ทนันเทนก็ไม่เป็นไร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 ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่คุณหนูทุกคนร่วมเรียนขญาจารทุกท่านเจริญด้วยอายุวันหน้าสุขภาละปฏิพานธ์สารสมบัตินึกคิดจึงอืง่ประการใดสมความมามาญนาด้วยกันทุกรุกูทุกนาม น, น่าโอกาสบัตดนขอขอี้เชิญก็ล่าคุณหนูฟังที่สนใจนะตนมกถามที่สองนักักตรต้นเดิมเนี่ยอไม่หลอกหลวงสมาบนบกิจอดี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 เขาก็มาไล่เราฟังบอกเอ้ส่นพระขามมันจะมีอะไรมื่อนี่เออยิงไม่ออกเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไปออกลูกจะด้านก็ออกลูกใหม่แต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบนไปที่อื่นมันก็ออกแต่ยิงมีเหยื่อนกเหยื่อที่มันเหยืยวเอาลูกไ ก, ก่เข้ามาสมัยก่อนมีเหยื่อกาเยอะเดี๋ยวนี้หมดไปยเนี่ยหมดไปตามระพาศูนย์พันไปทางไหนไม่กล้า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 บัดนี้ก็ต้องยกให้เวงคืนให้สนประทานไปเวลาหนูฟังแต่ต้นหึงจะรู้ว่ามาขามไปยิสิอยังไงหลวงพ่อรู้แลยองนี้เป็นที่ประหารนักโทก่อนจะประหารเขาต้องบวงสวงบอกเทพเจ้าเทวดาที่นี่แล้วก็มีเพชฌฆาตสองคนหลำงทางหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลังไม่ใช่คนหน้าเราสังเกตดูนะ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 มันจะล้าสวยรอโนนรอนีอ่นนไปแต่ก่อนที่จะฆ่าเนี่ยเขาว่ากันว่าผ้าอูตาเอาดึงอู่ถูคือคาพอดีเลยเราไปหน้ามีแท็บผูกติดแน่นวงจะว่าดึงอุดถูหรือยังไงเราไม่ทราบนะเพรามันเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วแล้วคนหน้าล้าเสร็จแล้วก็จะฝันแต่แล้วไอ้คนหลังที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยเป็นผู้ฝันชับขาดเลย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 แต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมาเกินทิศสองบ้างไม่ถึงบ้างแล้วยังเป็นตุกตาตุกตุนอยู่ทุกเม็ดนี่เาประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจับละหารชีวิตก็ต้องบวงสวงเทวดาบวงสวงก่อน ม, อมีเครื่องเชิงเวรมีหัวหมูใบสีมีอะไรผักผ้าพยายามตามประเพณีถึงเพจะฆ่า เลยทำให้ดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่นักโทนมาขามนี้กลายเป็นมาขามกยสิทธ์เรียกว่าสิบสองนักตักเวียนไ่ว้กายเกิดอยู่ในวัดสุสุขสารตรงนี้เองเนี่ยขอฝากไว้เป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาทนปรธานก็เลิกมายึดทำครองชนปรธานผ่านมาหลังจากนั้นเลยก็พวกชนมรทานก็เราก็ขอแรงโค่นต้นตาล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 ทีวีไปถวายวพระกุศลเราซื้อสมภูษณ์ให้สุรกายคนที่ตายกําลังดุร้ายดุมากตายอย่หน้าโถสระต้องดุร้ายหวงแหนมากเหมือนอย่างรถขับไปชนกลางถนนตายแล้วดกําลังเครียดแทนก่อโมโหจะต้องเศร้าถนนก่อนดุเนี่ยพอคนชนรถชนตายครับไปสวรรค์ก็มีเหมือนในโลกมาเลงานตัวตรงนี้ก็ได้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 ขอฝากด้วยอันนี้จะขอลาศ ส, สานแถนั้นเหายาวไม่ได้หนูใช้เวาลามากเราหนูฟังนะคนตายเรื่องนี้ือแค่เรือหน้าโศกะบางคนเนี่ืงหัวเงหัวแล้วกินาตายนยดูลายมากดูลายมากหัวจะไปมีเมียใหม่ไม่ค่ยจะได้ออกไปสิงต้องไปอะไรเนี่ยนี่บิน ญ, ญาสุรยกดูร้ายขอฝากคุณหนูไว้ด้วย หนูไม่จะไปกลัวผีเผอเลยครับกลัวแม่ใครกลัวผีเลยเนี่ยอ้าวอย่าไปกลัวต้องคหนดนะอย่าไปกลั ว, ว, ว, วผีเผือปีนใจทำมีแล้วเดี๋ยวรู้แหนผลอย่างเนี้ยหนูไม่ง่วงเลยเนี่ย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 ฟังเลฟังเลยฟังฟังก่อนเอยวาเพิ่มไปวิจัยตอนนั้นเราพ่อมาอยู่นี่วัดนี้ใหม่ๆนะมีต้นมะขามนี่หน้าโบสไ์ม่นจะโบดแล้วนี้แล้วลองพ่อก อ, นะอนั่นสมาธิในโบสถ์เมเด็กาสาวบาดเหนือเนี่ยขี่จักรยานมาเนะี่ยจะไปซื้อกับข้าวบาันไดตรงนี้มันเป็นป่าป่ารดง่งทึบมากป่ายาคาแท่แค่คอ น่ากลัวมากคนมาถามนี่ก็อายุมากมาก็เสียงโ ค, ง ล, งโคงลงเพลงโปรแกรมเนี่ยอะไรกันเนี่ยเย็นเนี่ยประมาณที่แปดในก้าววิ่งเลยทึ้งรจกรยานรุ่งเช้าตายเลยตายเอาไว้เนี่ยบา้านหี่ผีหลอกตายไปห น, นึ่งคนอีกคนอ่ะอีกสองคนหนึ่งอีกสองทมา น, น, นก็คนประมาณก็มีบุตรแล้วมีลูกแล้วยุประมาณสี่ห้าปีนเนี่ยบาดเนื้อเนี่ย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 คืนไปก่อนนะคืนไปก่อนนยเราก็ออกนโยบายว่าเออเอ็ง เ, เนี่ยถ้าคาคืนก่อนแล้วไม่ทันภาวนาเอ็งก็คืนก่อนต่อมีผีอครจะด เ, เ, ะจะจรเรียกขาม่พอเจ็ติงแล้วก็หวันไหวอยู่แล้วคขึ้นก่อนนะคืนไปก่อนคึนไปก่อ น, นออขึ้นไปแนี้วเอาเน้ยลมพัดมาถามวันเสียงฮือ าเนเราแลหลวงพ่อเอาไงเอาไงเดี๋ยวจะเเเียข้ามอข้ามอผีข้ามอผีข้ามอเออผีก็ไม่ข้ามอทีมันก็ลองฮือืยเอาไปสายมาพวกเราอยากัวยืนไดถึงคืนไปถึงคบมาถามบนเอาละนั่งคบมาถามตัวมาถามใหญ่มากเอาแล้วนะพวกเราตั้งสติดีหลวงพ่อจะเรียกผีข้ามอ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 เขาจับได้เลยคุณหนูทั้งหลายเอ่ยไอนกแสบตาตัวโ ต, โตปีรายๆตัใหญ่มันเอาหนูมาลูกให้มันลูกมันจิน้นแล้วโพรงมันลึกมันก็ลองทีตืดปูผึ่งเออเขาผึ่งไอพวกปีกมาทุบกับผมันก็ลองมันก็เสียงไปบนยอดกระขามมันก้องไปนี่ผีจับได้เนี่ยนี่ทำให้คนตายเห็นไหมเนี่ยไอตัวพ น, นีมันจะเอาหนูมา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 มี่เพระหี่เองเพราะฉะนั้นหนูจะเดินไปไหนต้องโยนิโสมนาฬิกาเสียงอะไรตอกแตกตอกแตตั้งสติไว้ <c oughs> เห็นหนอก่อนใช่รับการอกแตกตรงไปผีโวว่งแต่แต่อย่างนี้าตายนะตายนะขาดสติมาตรงนี้นะท้าข้อนี้ไรสติขาด ส, สตางเนี่ยเป็นคนผีข้าเจ้าสิงคนที่ใจอ่อนขาดสตินี่ผีข้าเก็ฑผีข้าวแฉมเจ้าสิงด้วย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 อะไรกอะแปลกอกแปลกเออความยังไม่ทราบรู้เรื่องวิ่งแนวผีหลอกผีเผยที่ไหนเหนูกลัวผีไหมเนี่ยยังไม่เคยเห็นผีก็กลัวเนี่ยไม่จะไปกลัวไปกลัวผีใช่ไหมลองพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่กลัว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 พวนี้หวจะออกมาไวหว้หัวเลกกันเคยมาไหมทุกไหนหวัวเลืก <มะ S 1> เคยไหม่าี่น้องเคยมาไหมก <มะ S 1> ็ดีมากดูอาจารย์เคยไปไหมเห็นไหมเคยไปไหว้นะไม่ทานสมัยเยอะเาไหว้กันเท่านั้นแหละเนื้อ